พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส2องพระสูตรที่36มสหกาสัจจกะสูตรสูตรว่าด้วยสัจจกะนิครนสูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับนาศาลาเรือนยอดในป่าใหญ่ใกล้กรุงเวสาลีช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเตรียมเสด็จเข้าสู่กรุงเวสาลีเพื่อบินธรบาดพระานนท์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 สุขเวทนาทุกเวทนาไม่ครอบงำจิตของผู้นั้นได้สัจจกาิกรนกล่าวแสดงความพอใจเห็นด้วยกับพระดารัสอธิบายพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภายหลังที่เสด็จออกผนวดแล้วก็ไม่ใช่ฐานะที่สุขเวทนาหรือทุกเวทนาจะครอบงำพระอฤทัยของพระองค์ตั้งอยู่ได้ซึ่งสัสตรนิกรน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 คือยานระลึกชาติก่อนได้ในยามแรกทรงได้จตุปปาตาญาณในยามกลางคือยานเห็นความตายความเกิดและทรงได้อาสวะขยะญาณในยามสุดท้ายแห่งราตรีคือยานอันทำอาสวะให้สิน้นสุขเวทนาเห็นปานนี้ไม่ครอบงำพระหฤทยัยของพระองค์ตั้งอยู่ได้